เราส่วนใหญ่เมื่อมีอายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็มักจะไปแสวงหาความเจริญงอกงามไกลขึ้นเรื่อยๆจากบ้านก็อาจจะไปสู่ที่ไกลออกไปไกลออกไปอย่างเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยนะอีกแรกเราก็เรียนหนังสือในโรงเรียนใกล้บ้าน ตั้งหลังก็เข้ากรุงเทพนะไปเรียนต่อหมหาวิทยไลัยพท่าน ไ, ไม่พอนะเราจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกไปเรียนไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จ ะ, จะเจริลยงอกงามมากเท่านั้นอันนี้รวมถึงการแสวงหาความสําเร็จด้วยนะยิงต้องการความสําเร็จที่ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ต้องเดินทางออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นถ้าไปทำงานในต่างประเทศเนะโดยเฉพาะในประเทศอย่างอเมริกานี่ก็ถือว่านะเป็นคนเก่งไงนะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถนะยิ่งกว่าถ้าทำงานในจังหวัดใกล้บ้านหรือว่าทำงานในกรุงเทพ อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะความเจริญงอกงามความรู้หรือความสําเร็จนะที่คนเราคิดว่ า, าต้องแสวงหาออไปไกลตัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆความสุขก็เหมือนกันนะเวาเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ไปแสวงความสุขไกลขึ้นไกลขึ้นตอนเด็กๆอาจจะส่วนใหญ่ก็มักจะมีความสุข กับของเล่นที่บ้านกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่อยู่ข้างบ้านพอโตขึ้นก็เช่นเป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องออกนอกบ้านแล้วเอาความสุขนี้มันไม่ได้อยู่แถวบ้านแล้วมันอยู่ไกลนั่นอยู่บ้านนี่เริ่มจะอยู่ไม่ติดนะก็ต้องออกไปเอาความสุขความเพลิดเพลิน นอกบ้านสัวลังก็ไปหาความสุขไกลออกไปต่างจังหวัดข้ามจังหวัดเล ย, ยเช่นไปเที่ยวเนเชียงใหม่ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วพอมีประสบการณ์มากขึ้นนะอ่ะมันต้องไปต่างประเทศเนความสุขนี่มันต้องไปโน่นไปต่างประเทศก็ไปไกลขึ้นไกลขึ้น ที่แรกอาจจะไปเที่ยวแถวลาวเขมรพมา่ามาเลตตะหลังมันต้องไปโนนเกาหลีญี่ปุ่นน่แต่ท่านนีก็ยังไม่พอนะต่อไปก็ต้องไปไอโนนไปถึงยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแล้แต่ก็ยังไม่พอใจก็ไปถึงอเมริกายิ่งอยากจะหาความสุขที่มันตื่นเต้นร้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องไปไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้น ทีนี้ศรษฐีหลายคนเนี่ยว่ฝันนะ่จะไปต่างดาวจะไปเที่ยวนอกโลกเนี่ยมีการรับสมัครนะเปิดรับสมัครคนที่ไปเที่ยวนอกโลกนะยานอาวกาศก็มีเศรษฐีหลายคนนี่ยแห่งก็ไปจองนะคือความสุขในโลกมันไม่พอแล้วมันต้องไปแสวงหาความสุขนอกโลกมาเลย อันนี้ก็ถือว่าคนเรายิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่นะบางทีก็เป็นเครื่องวัดความสาเร็จนะเป็นเครื่องวัดความสา ม, มารถถ้าไปไกลขึ้นเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่นี่ก็ถือว่าเป็นคนมีความสา ม, มารถมีความสาเร็จเป็นคนเก่งแต่ถ้าเป็นในทางธรรมนะมันตรงกันข้ามเลยนะยิ่งกลับมาใกล้ตัวมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ยิ่งเป็นเครื่องชีวัดถึงความเจริญ ง, งอกงามในทางธรรม อ, อย่างเช่นความสุขเนี่ยนะคนที่มีความเจริญ ง, งอกงามในทางธรรมเนี่ยเาจะพบเนี่ยความสุขมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่ต้องไปโน่นไปถึงต่างประเทศนะไม่ต้องไปหาความสุขข้ามจังหวัด หรือแม้แต่ไม่ตองไปหาความสูงไปกลถึงนอกบ้านนะเราจะพบความสุงที่มัน ใ, นใกล้ตัวใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆความเจริญงองงามก็เหมือนกันนะมันก็พบได้ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆใกล้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในเรื่องความสุขเนี่ยนะเราสามารถจะพบได้นะ เมื่อเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันเพราะเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราก็พบความสุขที่มันที่เราเข้าถึงได้อยู่เรื่อยๆอยู่แทบทั้งวันเลยก็ได้จากกิจวัตรประจำวันที่ธรรมดาธรรมดา อย่างเช่นเวลาล้างหน้าอาบน้ำเนี่ยนะถ้าว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยใจลอยนยก็จะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นในเวลาน้ำเย็นเนี่ยหรือว่าน้าอุ่นเนี่ยมันมาสัมผัสกายความสดชื่นหรือว่าความปกตินะที่มันกลับคืนมา ให้เราสัมผัสได้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยๆที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันแต่หลายคนเนี่ยเขาไม่รู้สึกนะเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาไม่สัมผัสรับรู้ถึงความสดชื่นที่เกิดขึ้นกับกายหรือว่าความเบิกบานที่เกิดขึ้นกับใจเพราะนั้นใจเขาเนี่ยไปคิดถึงสิ่งอื่น ส่วนใหญ่ก็คิดถึงสิ่งที่จะต้องทำนะในเช้าวันนั้นเดี๋ยวฉันต้องไปประชุมเดี๋ยวฉันนะจะต้องไปเช็คเมลนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำธุระกับเพื่อนหรือว่าไปทำอาหารให้ลูกใจที่มันลอยไปอยู่กับสิ่งที่ต้องทำในลำดับถัดไปในอนาคต มันทำให้ไม่รับรู้ถึงความสดชื่นที่เกิดขึ้นในขณะที่อาบน้ำในขณะที่ล้างหน้าเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะเวลากินข้าวเนี่ยคนส่วนใหญ่ใจก็ไม่ได้อยู่การกินข้าวแล้วที่กาลังตักกาลังเคี้ยวอยู่แต่ว่าไปนึกถึงว่าเดี๋ยวจะทาอะไรต่อไปเดี๋ยวพอจะเป็นข้าวกลางวันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ ปากก็เคี้ยวแต่ใจก็ไปอยู่กับงานที่ต้องทำเนื่องจากงานมันเยอะมันมีหลายอย่างก็เลยต้องรีบๆกินรีบกิ น, กนอันนี้เป็นการเป็นนิสัยคนสมัยนี้ไปแล้วโดยไฉ้าในเมืองรวมทั้งคนที่มีภาระหน้าที่มีการงานสูงๆต้องรี บ, รบกิน ถามว่าทำไมรีบกินนะก็เพื่อได้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เวลาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็รีบๆทำอีกเหมือนกันทำไมรีบๆทำก็เพราะจะได้ไปทำอย่างอื่นแทนพอใจไม่ี่ยวการกินนะมันก็เลยไม่รับรู้รสชาติของอาหารมีคนหนึ่งนะที่เขาเริมฝึกนะที่จะกินช้าๆซึ่งก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่า ยิ่สายจะกินเร็วแล้วจะกินเร็วก็เพราะว่าเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องทําใจก็ไปนึกถึงสิ่งนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกับลูกน้องว่าอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับลูกค้าว่าอย่างนั้นต้องวางแผนต้องคิดประเด็นก็เลยต้องเรียบเรียบกินแต่ว่าเริ่มมากินให้ช้าลงเป็นการฝึกตน แลก็เพืสุขภาพด้วยก็เพิ่งเลิกก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ข้าวนี่มันมีรสหวานนะแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่าข้าวมีรสหวานเพราะใจมันไม่ได้อยู่กับการกินมันไม่ได้รับรู้ถึงรสชาติของอาหารจริงรสชาติของอาหารที่เรากินในแต่ละมือ้อแต่ละมื้อเนี่ยมันก็มันก็ให้ความสุขกับเราได้นะ ความอ ร, อร่อยของอาหารนะที่แม่ครัวก็ตั้งใจปรุงหรือว่าบางทีก็เป็นฝีมือของเราเองพอเราได้รับรู้ถึงรสชาติของอาหารเนี่ยเออมันก็เกิดความยินดีอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ทุกวันแล้วก็ไม่ต้องไปไกลอยู่ที่บ้านอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยมันก็ได้สัมผัสความสุขได้ เวลาเดินเนี่ยนะเวลาเดินตักใจอยู่กับปัจจุบันนะวางอดีตวางอนาคตเอาไว้ก่อนวางความคิดต่างๆมันก็ทําให้เราพบ ก, กับความสงบพบ ก, กับความโปร่งเบานะได้ไม่ยากนะโดยเพราะเมื่อเราเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินยังมีสติใจมันโล่งใจมันโปร่งแจม่มอยู่กับการเดินรู้สึกถึงแต่ละก้าวที่เดนินก็มีความสุข เป็นความสุขเล็ก ๆ, ๆน้อยๆจากการเดินแม้จะเดินไม่ไกล ย, ไไยังไม่ต้องพูดถึงสุขภาพกายที่เกิดขึ้นลมหายใจก็เหมือนกันนะถ้าเราหายใจแทนที่จะหายใจรดแบบทิ้งๆคว้างๆใจไม่เอาใจมีก็ลมหายใจไม่ต้องเพ่งนะแค่รับรู้ลมหายใจเข้าและออกวางเรื่องราวต่างๆลงนะยังไม่ต้องคิดว่าจะไปทำอะไร อีก5นาที10นาทีหรืออีกชั่วโมงข้างหน้าอยู่กับลมหายใจน่หน้าก็พืความสงบได้อันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยๆนะที่เราถ้ารู้จักเก็บเล็กผสมน้อยนีย่วันๆหนึ่งมันก็ไม่น้อยยังไม่นับถึงว่าเออถ้าเรามีสติโยการรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้นไม้ดอกไม้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หายยากดอกไม้ที่ถ้าเรามองเออแทนที่จะมองต้นไม้แบบผ่านๆเพราะใจลอยจนมองไม่เห็นต้นไม้มองมเมนดอกไม้เห็นความเขียวขจีของต้นไม้ของใบไม้เห็นดอกไม้ที่ชูช่อบานรับอรุณนะใจันก็เบิกบานขึ้นมาได้เหมือนกันนะ แลทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราบางทีอยู่ที่บ้านบางทีอยู่ไม่ไกลจากบ้านอยู่รอบบ้านนี่เป็นความสุขนะที่คนเรานะสามารถที่จะประสบสัมผัสได้แล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะความสุขมันก็อยู่ใกล้ตัวนี่แหละ แ้วเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้นะจากกิจวัตรประจำวันจากการกระทาที่มันธรรมดาสา ม, มัญหรืออาจจะเป็นจากเหตุการณ์ที่ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจไกลตัวไกลบ้านที่ต่างจังหวัดต่างประเทศแก่ รู้จักเอาใจอยู่กับปัจจุบันน้อมใจอยู่กับปัจจุบันเราก็สามารถจะเข้าถึงความสุขจากสิ่งที่กำลังทําอยู่จากการกระ ท, ทําที่ธรรมดาธรรมดาและต่อไปนะก็จะพะบความสุขที่มันใกล้กว่านั้นนะคือความสุขในใจความสุขที่เกิดจากการที่รู้จักปล่อยรู้จักวางความคิด อารมณ์ต่างๆแม้ว่าจะมีการกระทบเกิดขึ้นมีอะไรมากระตุ้นเราอาจจะเผลอมีอารมณ์มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าใจก็สงบได้เพราะรู้จักวางรวมทั้งความคิดความวิตกกังวลที่เกิดจากการปรุงแต่งเกี่ยวกับอ น, นาคตหรือว่าความขุ่เคืองโมโห เศร้าอยที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตมันเกิดขึ้นก็รู้จักวางแล้คนเราเนี่ยทุกพระความคิดนทุกพะความคิดบ่อยครั้งเลยเลือดแท้ทั้งวันเลยแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกพะความคิดแท้ๆนะมันเกิดจากมันเป็นทุกข์เพราะเกิดจากความยึดติดในความคิดหรือหลงเข้าไปในความคิด ความคิดตัวมันเองมันไม่ไทำให้ถูกเท่าไหรแ่แหลแต่พอไปติดไปยึดหรือไปหลงจมอยู่ในความคิดหลมทั้งอารมณ์ด้วยนะพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไปยึดมันไปแบกมันหรือว่าบบปล่อยใจใ ห, หลงเข้าไปในอารมณ์ความหดหงิดความขุ่นมัวความอิจฉาความเลียดความโกรธความเครียดพวกนี้มันไม่ทาร้ายเรา หากว่าเราเห็นมันรู้เท่าทันมันเพราะเมื่อเราเห็นเรารู้เท่าทันก็วางมันลงหรือไม่ปล่อยใจใ ห, หลงจมเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นอ น, นี้คือสิ่งที่ปุถุชนทําไดย้ยิ่งถ้าเกิดว่าจิตนี้พัฒนาไปถึงขั้นมีปัญญาเห็นนะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันได้เลย หรือว่ามีปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีการปรุงแต่งนะว่าเป็นเราเป็นเราหรือยึดในความเป็นเราวราะถ้าไม่ยึดว่ามีกูนะไอ้กิเลสเนี่ยที่มันจะครอบงมจิตใจชักพาเราไปทำสิ่งต่างๆหรือว่า ปล่อยใจจมอยู่ความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากมีตัวกูเมื่อไหร่นะไอ้กินเหลนก็ได้ช่องมันนะเพราะพอมีกูมันก็กูอยากได้นั่นกูอยากได้นี่กูอยากเด่นกูอยากดังหรือแม้กระทั่งความทุกข์เนี่ยนะนะกูถูกดา่าเขาว่ากูหรือว่ากูเจ็บกูปวดกูสูญเสียไอ้ความทุก ใจทั้งหลายเนี่ยมันก็ล้วนแต่เกิดจากความยึดนะในว่ามีตัวกูเป็นเบื้องต้นหรือไม่ก็ไปยึดเสิ่งต่างๆว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขปรารถนาให้เสียงต่างๆเป็นไปนดั่งใจแต่ที่จริงแล้วก็ใจของใครว่ใจของกูนั่นแหละอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่าง ที่กูต้องการที่กูคาดหวังงั้นถเกิดว่ามีจิตที่พัฒนาจนกระทั่งเห็นนะว่มันไม่มีตัวกูแล้วมันไม่มีอยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูได้มันก็สงบกิเลสก็ครอบงําไม่ได้ใจที่ปลอดจากกิเลสหรือปลอดจากการลบของกิเลสนะเนี่ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งเลยนะเป็นความสงบเย็นที่ไม่มีอะไรจะเทีบเคียงได้ แลตรงนี้แล้วนะคือความสุขที่เราสามารถจะพบได้ในใจนะเป็นความสุขใจยิ่งจิตพัฒนานะยิ่งมีปัญญามากขึ้นนะเราก็จะพบความสุขที่มันใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้เรื่อยๆใกล้ตัวเรื่อยๆจนกทั้งพบความสุขกลางใจแต่ถ้าว่าจิตนี่ไม่ไ ม, ไ, มไม่พัฒนานะถึงแม้จะมีความรู้เยอะ แต่รู้แต่เรื่องทางโลกแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้จักความจริงของกายและใจเนี่ยมันก็จะมัวแต่ไปแสวงหาความสุขที่ไกลตัวไกลตัวไปเรื่อยๆไปจนถึงเนี่ยดาวอังคารหรือว่านอกโลกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใจมีปัญญามีสติมีความสึกตัวมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันเป็นรู้จัก เห็นสามารถจะไม่เพียงแค่รู้ตัวหรือรู้สึกตัวแต่รู้ถึงความจริงของกายและใจว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไ, ไม่มีกูให้ความสุขก็จะกลายเป็นเรื่องที่ใกล้มาใกล้ไปเรื่อยๆใกล้เรื่อย ๆ, อยๆจนกระทั่งแม่อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เพราะว่าพบความสุขทิ่ใจเพราะคนเราเนี่ยมันก็ใส่ความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งบำรุงกาย ส่วนความสุขเนี่ยเป็นสิ่งบำรุงใจถ้าได้ความสุขที่ประเสริฐประณีดนะมันก็ทําให้ใจเนี่ยสงบเย็นอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มต้นจากการที่เรามีสตินะที่ใจหรือมีความสึกตัวที่จะเห็นหรือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ไปยึดนะเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้ก็ฝึกได้อับชื่อประจํำวันเหมือนกันนะั้น ฝึกจากความสุขที่เราประสบสัมผัสในในแต่ละวันในแต่ละขณะในแต่ละสิ่งที่เราทำอย่างเช่นตอนอาบน้ำเนี่ยนะเออาใจอยู่กับปัจจุบันมันก็มีความสดชื่นมีความสุขสิ่งที่ควรทาต่อไปคือเห็นความสุขที่เกิดขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นและแต่ก่อนไม่รู้สึกถึงความสุขด้วยเพราะว่าใจมันลอยไปอยู่กับอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบัน พอใจอยู่กับปัจจุบันเออมารู้สึกถึงความสุขความสดชื่นเมื่อน้าสัมผัสกายอันนี้ถือว่าก้าวหน้าขั้นหนึ่งแล้วขั้นต่อไปคือเห็นความสุขที่เกิดขึ้นเห็นความยินดีที่เกิดขึ้นนะไม่ยึดติดในสุกนั้นเวลากินข้าวเนี่ยใจอยู่กับปัจจุบันนไม่รีบกินก็รู้สึกรับรู้ถึงความสุขจากความวอร่อยของ อาหารที่กินหวานเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมลับรู้ถึงความสุขนะของหรือความอร่อยของรสอาหารต่อไปมันก็เห็นความสุขแต่ไม่ไปยึดในความสุขนั้นไม่ไปยินดีในความสุขในความอร่อยอร่อยนะจนลืมเนื้อลืมตัว น, นี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะสำหรับสาหรับผู้ฝ่ในการปฏิบัติที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเริ่มจากการที่เปิดใจรับรู้ถึงความสุขในปัจจุบันในทุกสิ่งที่ทำแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาสา ม, มัญเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ยึดติดไม่เพลิดเพลอนยินดี เพราะว่าถ้าไปเพลิดเพลินในความสุขเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ความสุขนั้นหายไปมันกลายเป็นทุกข์เกความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรมากพระเจ้าตรัสว่าคนเราเนี่ยนะไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ชอบทำและความสุขที่ชอบทำส่วนหนึ่งก็คือความสุขที่เราประสบสัมผัสได้ในชีวิตประจาวันจากการอาบน้า จากการกินข้าวที่มีรสชาติอร่อยอร่อยนะจากต้นไม้ที่เขียวขจีที่เห็นแล้วจิตใจชื่นบานดอกไม้เห็นแล้วจิตใจก็เบิกบานรับรู้ถึงความสุขสัมผัสถึงความสุขนั้นแล้วก็เห็นใจที่มันเพืิดเพลนยินดี นะเห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุณจะทำในระดับต่อไปแต่ก่อนอื่นนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรับรู้ถึงความสุขจากกิจวัตรเหล่านี้เลยเนี่ยจะต้องเปิดใจให้สัมผัสกับความสุขนั้นก่อนแทนที่จะปล่อยใจให้ไปวิตกกังวลกับงานการต่างๆที่รอยอยู่ข้างหน้า จนกระทั่งรีบๆทำหรือว่าใจปิดรับความสุขที่เกิดขึ้นในเวลานั้นอั น, นี้เรียกว่าปฏิเสธนะความสุขที่มีโดยชอบธทมอันนี้พอสัมผัสถึงความสุขนั้นแล้วนะอ่าก็พระเจ้าท่านก็สอนตอไปว่าจนี่อย่าไปยึดในความสุขนั้นอันนี้แหละนะที่เอาสติเข้ามาใช้ ในลำดับที่ละเอียดขึ้นที่รักสติทำให้อยู่กับปัจจุบันทำให้ไม่ไปจมอยู่กับอดีตเลืออนาคตจนทาให้รับรู้ถึงความสดชื่นของในขณะที่อาบน้ำหรือรสอร่อยความเป็นลอร่อยของอาหารใช้สติทำให้สัมผัสความสุขต่อไปก็เอาสตินั่นแหละมาช่วยทำให้เห็นไม่ข้อไปเป็นไม่ข้อไปยึดนะ สุกก็รู้ว่าสุกนะแต่ว่าไม่เพ่อเพลินยินดีตรงนี้ไม่ช่วยทาให้สติของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นแล้วก็รู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เคยเข้ามาเล่นงานจิตใจต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ใจสงบใจโปร่งใจเบาแต่ต่อไปมันจะทาสติช่วยทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจ มันไม่มีเรามันไม่มีกูมันมีแต่กายกับใจแล้วก็เห็นความจริงของกายและใจนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจนละวางความยิดมั่นถือมั่นได้ถึงตอนนั้นกิเลมนก็เข้ามาครอบงาจิตใจไม่ได้จิตที่ว่างเปล่าจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสอิสระจากอาสวะเนี่ยว่ามนันสุขอย่างแท้จริงเลยทีนี้อะไรนะเป็นสุขที่ อยู่กับใจเรานี้เองไปที่ไหนก็มีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเย็นไม่ต้องไปแสวงหาความสุขนอกตัวไม่ต้องไปแสวงหาความสุขไกลตัวยิ่งจิตพัฒนาเนี่ยนะความสุขมันก็ใกล้ตัวมาเรื่อยๆใกล้ตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบได้ที่กลางใจหรือถึงแม้เราจะยังไม่สัมผัสได้อย่างต่อเนื่องถาวร น, นะแต่มันก็ให้เรารับรู้ได้บำรุงใจเราได้อย่างต่อเนื่องเป็นขณะขณะไป อันเนี้ยคือเครื่องหมายของความเจริญก้าวหน้านะทางจิตคือพบความสุขที่ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้มาเรื่อยๆจากสุขไกลตัวเป็นสุขใกล้ตัวแล้วก็จกนกระทังการเป็นความสุขกลางใจเอาชาหนี้ผู้เกิดทนันนีนะอเอาครับ